ลู่สึกตัวเนะ่ะมันก็ทําได้จริงจริงมือเราก็มีอยู่พลิกมือเราก็ลู่อยู่ยกขึ้นเราก็ลู่อยู่เราทําได้เราว่างลู่มันก็คือไม่หลงนั่นแหละถ้าตัวลู่มากๆความไม่หลง ก, ก็มีมากๆก็ทําได้จริงจริง <c> ห <oughs> มายว่ามีความหลงมันก็ถ้ามีความลู่ความหลงก็หมดไปหมดไปเป็นพักเป็นพัก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 สังขารคือมันปรุงวิสังขารคือการไม่ปรุงเราก็อยู่ตรงนี้แหละทำอยู่ตรงนี้แห ล, ละอะไรมันปรุงเราก็เปลี่ยนไม่ปรุงผมปรุงก็คือความหลงความหลงคือความชิดความชิดกับปรุงไปต่างๆนานาเราก็เราก็ลุกมันได้เปลี่ยนได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่วานักปฏิบัติแต่วิธีที่ทำก็ทำให้มันแม่น ควาแม่นก็คือรู้แล้วนละอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็คือรู้แล้วนะเพราะว่ารู้แล้วนะ่ะเป็นยอดของสติแล้วเป็นคุณค่าของสตินี่คือสติปัฏฐานเพราะว่ารู้แล้วาเป็นภาษาคำพูดแต่ภาษาปรมัติ์เนี่ยไม่ได้พูดหรอกเพราะิกมือขึ้นนะี่ยนระู้เนี่ยตอนรู้แล้วเ น, นี่ะเนี่ยสติปัฏฐานยกขึ้นรู้แล้ว เปิดไหวไปมาลู่แล้วลู่แล้วลู่แล้วนี่คือสติปัฏฐานไม่ใช่คิดไปลูความคิดไปครึ่งลู่ครึ่งหลงไปอ่อยตามความคิดไปอันนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานถ้าสติแบบนั้นใครก็ไม่ได้จัดสาระถึงคนผู้ไร้ก็ไม่ได้แต่สติปัฏฐานลู้แล้วลู้แล้วเกาะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน เหมือนกันเม็เหมือนกับเราเกาะอยู่ในหลักกลางน้ำไหลเขี่ยวเราวางเวลาใดมันก็พัดพาเราไปเราก็กลับขึ้นมาเกาะไปอยู่เกานานนานเข้านานเข้านานเข้ า, น า, นขาทวนด้วยน้ำไหลแล้วลอกแล้วลลอกลอกก็รูดลู่อยู่ตรงนั้นละอความรูดมันก็มีความชํานาญเหมือนกัน ให้มันจำนานให้มันลู่บ่อยๆให้ลู่มากมาให้ลู่ลอยู่ลู่อยู่เป็นหลักเป็นหลักมันก็เกิดความชำนิชำนานได้หลัเราขึ้นลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาก็ชํานาญขึ้นใหม่ๆอาจจะไม่อล้าปวดขาล้าแข็งขึ้นบ่บอยๆทุกวันวันละหลายชั่วโมงวันละหลายเที่ยว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 แต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความกลมลงมีมีปัญหาสั้นไปหลงไปจนตรงจนแจงไปเอาไปมาความหลงกลายเป็นปัญญาเป็นประสบการณ์เป็นความลูภเป็นความชัดเจนเป็นความปรารถนาด้วยหลงทีไรจะได้ปัญญาทุกทีเห็นแจ้งทุกทีแต่ก่อนหลงทีไรก่อนหลงไปตรงไปเอาไปมาความหลงกลายเป็น ประสบการ์นบทเรียนที่เยี่ยมยอดมาะเออเปลี่ยนความหลงเป็นความโลดได้โอยมีค่ามากน่าไหว้ตัวเองได้ก็ยิ้มก็ยิ้มตอนนั้นหละไม่ปัญญาก็พูมิใจตอนนั้นละภูมใจที่มันเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกันไม่ทุกหนะเป็นความภูมิใจจุดอ่อนของคนเราอยู่ตรง น, นั้นน่ะ เอาความรู้เราก็ต้องสร้างนะล่ะขยันสร้างไปสร้างไปโดยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปคิดอถึงวันถึงเวลาไม่คิดถึงคิดวิตอะไรทั้งหมดแล้วเราความทําความรู้สึกตัวมันถูกแล้วสมบูรณ์แล้วมันเป็นกรรมที่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 ไม่มากก็ไม่ใช่ประเมินเราก็สร้างเอาสร้างเอาลู้เอาลู่เอาลู้ไปลู้ไปไม่ต้องเอาเพศเอาวัยไม่ต้องเอาอชาติภาษาลัทธินิยายต้องรู้สึกตัวะนี่เราก็ทำไปโดยเฉพาะรูปแบบที่เราทำมันก็ช่วยเราได้เยอะ เดินจงกรมก็เป็นรูปแบบที่ชัดนั่งสร้างจังหวะก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่าอาริบท ต, ตื่นๆแต่ถ้าทําไปทําไปทําไปนยอาจจะชัดกว่าชัดอยู่ทุกอริบตุตรเหตตาหายใจคืนน้ําลายแต่ว่าวิธีทำไหนให้มันเป็นหลักเป็น ลู่ที่มือก็ให้ลู่ที่มือไปอยาไปจับนนท์จับนี่แต่เดินก็ให้ลู่ที่เดินไปอารมณ์หายใจก็อารมณ์หายใจลู่ไปตั้งต้นใหม่กับฉากใหม่เดี๋ยวเลื่อยๆไปถ้าอยู่ในฉากเดียวกันก็ทําให้พลาได้เปลี่ยนฉากทําใหม่ๆเนี่ยให้หัดเปลี่ยนฉาก ตั้งใหม่มันจึงจะชัดก็้วเราสอนเด็กสอนนาทีน้อยๆชั่วโมงน้อยๆแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฉากใหม่ให้เขาได้ไม่เบื่อที่เป็นเราบางทีเรา้อมเกินไปบางกรั้งกลัวนะพอจะนั่งสร้างจังหวามันกลัวเรากลัววิธีกลัวของมันก็คือง่วงนะเครียดนั่นแหละคือจะเป็นเรื่องยากยนะั่นแหละ มาในร่างสร้างจังหวะมันเป็นเรื่องยากกว่าเดินจงคงว่าเป็นเรื่องยากเดินไปเล่นโ น, น่นเล่นนี่แตคือง่ายกว่าะะมันเขี้ยนเกินไปชีวิตเราบางทีไม่ต้องเขี้ยนเหมือนวัว บ, บางตัวไม่ต้องเขี้ยนมันรู้แล้วมันพยายามของเขาอยู่ของพ่อเคยฝึกกัวเทียมเกวียนเคยฝึกกัวเทียมข่าเทียมไทย บางตัวมันลูกกว่าเรามันลู่หลบลู่เหล็กเวลาไถมันถูกรากไมมในดินเราไม้ลู่เท่ากับมันเลยเราพยายามเขี้ยนมันมันไม่ไปเขี้ยนเท่าไรมันก็ยิ่งถอยเขี้ยนเท่าไรมันก็ยิ่งถอยแต่คนที่ไม่ฉลาดที่ไม่ลู่ไม่สังเกตก็โกรธให้ควยตัวเองเขี้ยนเท่าไรมันก็ไม่ไปหรอก็ด็กหัวมันก็ฟัดหัว ก็มองหน้าเรางวอมมองหน้าเราเฮ้ยมันอะไรกันปอบมือจกล่วงลงไปในน้าําในดินที่ไหนได้ไถมันไปโขกรากไหายอยู่ในดินโอ้ยพออยากกราบไหว้คุยตัวเองนเรามันง้อต่างหากชีวเราวางเทียก็ไม่ต้องต้องรีบ ม, มันลู่อยู่แล้วมันง่ายอยู่แล้ว ไม่มีใครเกิดชั่วถึงที่สุดเพียงยกมือสร้างจังหวะลู่มันก็ผ่านบาปมาแล้วแหละยกมือสร้างจังหวะลู้สึกตัวมันผ่านบาปไปแล้วมันลอยอยู่ในกองศีลแล้วเราจะไปเอาอะไรล่เราอยู่ในศีลเรายังไม่ลู่เรลู่อยู่เราอยู่ในสมาธิเราตั้งใจลู้อยู่ใส่ใจลู้อยู่เนี่ย แล้วจะหลุดไปทางไหนความใส่ใจที่จะรู้อยู่เนี่ยมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิแล้วอการรู้สึกตัวมันก็เป็นศีลรักษาศีลแล้วรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็เป็นศีลเราไม่ได้ไปด่าใครเราไม่ไปฆ่าใครไม่ไปคิดอะไรที่ไหนเราก็สำรวมอยู่ตาเราก็ไม่ได้ไปมองโ น, น่นมองนี่หูเราก็ไม่ได้ไป ก็ลุกลี่ลุกล้นไปฟังเสียงเพลงไปฟังเสียงอะไรต่างๆไม่ได้ไปเรานั่งอยู่นี่เรานกยกมือช่างจังหวะอยู่เนี่ยมันผ่านบาปมาแล้วมันถึงที่ได้พักแล้วเหมือนกับเรานั่งอยู่ศาลาไก่ฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ถูกเรายังกระโดดลงไปไม่ใช่แต่ลู้อยู่นี่ก็ถูกแล้วละ รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่นี่ตั้งค่อยตั้งเหมือนกับเด็กตั้งไครล้มลงไปกับลุกขึ้นนั่งลุกไม่ได้กับพ่อแม่ก็ไปจับขึ้นลุกนั่งอ่านั่งนั่งอนั่งไปนั่งมาก็งอ๊อกงอ๊อกเงี้ยก็ง ก, ง ก, ง ก, ก, งกไปเฉงกนูอนเฉงอ๊กหลังเขาก็ช่วยตัวเขาอดีตเขาช่วยตัวเขาไม่ได้พ่อแม่ก็ประครองไว้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 อะไรที่มันคิดก็หัวเราะความคิดตัวเองอะไรที่มันผิดก็หัวเราะความผิดตัวเองแล้วก็อย่ า, อ, าอย่าไปทำซ้ำๆการหัวเราะแบบความรู้สึกตัวมันหัวเราะแบบท่าทายเมื่อเรานั่งพักผ่อนไม่ใช่พี่แพ้เราทำไปทำไปมันก็เมื่อยเป็นร่างกายก็นอนลงไป นั่งหลับตาหายใจส ง, งบลงไปเราพักเพื่อจะสู้นะเราไม่ได้พักเพื่อปาละชัยพ่ายแพ้มันเราปั่นคันนาจับจอบขุดตึงติดขึ้นขนึ้นน้อยจับบมบอมบมมันหลายชั่วโมงก็เมื่อยแล้วก็วางล่างจอบเป็นนั่งนั่งเนี่ยตามันยังดูคันนาอยู่ มันยังดูด้ามจอบอยู่แต่ ไ, ไม่ได้ทําแต่มันดูใจมันอยู่นดนนั่งแล้วหายใจนั่งเงอไหลโสมหยใจมันยังคึดสู้นั่งพักสักหน่อยลูกคนไปจับด้ามจอบได้แรงใหม่อืมเยี่ยวยากําลังขึ้นหน่อยจับทำไปหลายชั่วโมงนั่งอีกอืมไม่ได้แพ้เลยการนั่ง มันไม่ใช่ว่าเราจะลุ่มดะวตั ว, วตพืเลยมันก็ออกไปมาก็เจ็บใครได้ป่วยไม่ไหวบางคนนะปัดสะวะเป็นเลือดก็มีสมัยก่อนการทำความเพียรการเดินจงกมบางคนเพื่อนของผมน่ใส่เลื่อนก็มีผมก็ทำท่าจะเป็นเหมือนกันชวนกันไปซื้อกางเกงชั้นในมาใสา่ ผมไม่ใส่อเอาไปมามันหายยังไงไม่รู้แล้วห้เลยแต่ก่อนเจ็บต้วยโดนมา่อกก็ค้าก็แตกแล้วให้ไม่แตกเลยอ่าไข้ก็ไม่เลื่อนเลยหายไปไหนไม่รู้ทำท่าจะเป็นมันอะไรไม่รู้ทำใหมใหม่เนี่ยหลายเรื่องหลายราวพางคนก็จะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวไปไม่เป็นไรอม่ไปกลัว อะไรก็ตามหรือว่ามันก็ไม่ได้ใช้ชนะมาฟปี่มันต้องสู้กับอะไรหลายๆอยา่างการเจริญสติสู้กับความหลงมันเกิดขึ้นกับอาการต่ตางๆของกายของใจบางทีก็เรื่องของร่างกายก็มีเหมือนกันเดินจนกกขาแตก แดี๋นี้มันก็ไม่แตกนั่นกับเป็นความสำนานง่นงคุ้เนี่ยการกระทานี่ <c oughs> เราไม่เก่งกว่าธรรมชาติบางทีธรรมชาติจะจัดสรรตัวเรา <c oughs> จัดสรรตัวเราบางก็คนัวยเนี่ยปวดเมื่อยเหน่อยกินยาปวดหายทันใจ เพื่อจะเอาชนะการปวดของร่างกายพอมัน ง, ง่วงอาไปนอนใชเพื่อจะให้มันหายห ง, ง่วงอ่าอะไรนิดหน่อยไอนิดหน่อยเอากินยาเอาถ่ายนิดหน่อยกินยาเ้าไปมาไม่เก่งหรอกสู้แบบปล่อยๆ ล, ลองดูทาถ้าจะเป็นหวัดเป็นไข้นิดหน่อยเลือกทางที่ไม่ต้องกินยาไว้ก่อน ปอให้มันช่วยตัวมันเองใช่ไหมคุณหมอ <c oughs> อ, อยอาไม่ค่อยชีแจ่นั่นนะบางก็เนี่ยว่าไอปวดอะไรนิหน่อยกินยาแล้วไอนิดหน่อยแล้วพ่อใหญ่หนูถ่ายมาข อ, อยากับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มาสาเลยเอ้ยาอะไ ร, ะะไรให้มันถ่ายสักสองวันนี่ก็ไม่เป็นไรเราก็กลัวตายไม่กลัว อ, อะไร ถ้าไม่กินลองดูให้มันถ่ายแต่ถ่ายพ่อพ่อเคยนะเขาเขาเอาไปไปอยู่สวนโมกอ่ะไปอร่อยสิบสี่อืมไปจะ ม, มีคนรู้จักสักคนแล้วไปอยู่ที่นั่นมันก็มันก็มันก็ธรรมชาติมันก็ดีไปกินอาหารใต้ตรากินอาหารอีสานเูาอยู่เราไปกินอาหารใต้มันก็ปรับสังเกตดูนะมันก็ถ่ายนั่นแล้วในคืนนั้น่ อายจนเดินลงไปในห้องน้าไม่เกือบไปไม่ไหวมันก็หมดแรงแล้ว ห, หมดแรงแล้วก็ไม่เราก็ได้พอดีมีกระถนุนเราก็ได้ผ้าขนุนมันนอนเอาผ้านุ่งเปลี่ยนออกก็ผ้าข น, น, นุนอนนอนโต๊ะใส่กระถุนเลยแล้วแต่มันจะออกมันหมดแรงนะก็คิดว่า อ่าถ้าตายนี่ก็ตายอยู่บนกตินี่แหละคงจะมีใครมาเห็นอาจจะเหม็นสี่ห้าวันหกวันแต่จะมีกลิ่นเหม็นอพอมาดูจะเห็นคนตายขขอขอเขาคงเอาไปทิ้งแล้วก็คิดเล่นๆไปสนุกแบงพอเราจะไปเรียกใครมันก็ไม่มีเราก็ไม่คิดว่าจะไปเรียกใครด้วยคิดว่าโอ้เอามันถ่ายมันก็ถ่ายไม่ต้องเก็บปวดต้องมามันถ่ายสบายสาย นอนใจนี่โอ้ยสบายเลยพอยมงกรไม่รู้ว่ามันหลับหรือมันเป็นยังไงมันก็หายตัวไปทันทีพอตื่นขึ้นน่ะแข็งไปหมดรลยก้นน่ะอ่าโคตรเลยมันแห้งติดตัวโอ้ลุกขึ้นมาลงไปอาบน้ำไม่แรงขึ้นมายอาบน้ำล้างซักผ้าซัากกรตีของตนล้างสะอาดไปฉันข้าวตอนเช้าได้เพื่อนอืม มันก็เก่งนะถ้าเราใจของเราอะไรนี่หน่อยก็โอ้ยมันก็เก่งเลยทุกวันนี่ไม่ค่อยกิ น, ยกนอยู่กินยาอะไรแล้วพวกแก่ปวดนี่าเลิกลากันทีซะเปลงหราไม่ต้องไปกินมัน้งปล่อยให้ร่างกายมันช่วยของมันธรมธรมดาธรรมดาอี่บางทีเราไปเอาชนะธรรมชาติมันก็ยิ่งอ่อนแด โครงการเจริญสติก็เช่นกันเป็นดัดไปแปลงอะไรให้ทำง่ายง่ายโลบายไม่ต้องเอานั่นเอาเน่วางทีจุดทูปไว้หนึ่งดอกถ้าทูปไม่หมดจะไม่ลุกเวลาเดินจุดทูบไว้ถ้าทูปไม่หมดจะไม่นั่งอย่างนี้ไม่ต้องหรอกทำไปเรื่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยแต่รู้ ๆ, ๆผมรู้สึกตัวเนะ่ะ แต่อยู่ในฉากไหนเราก็จะต้องลูกถ้ามันหลงก็จะต้องลูกยืนลุกอะไรก็ต้องลุกบางทีอริบ ท, ที่เราตั้งไว้มันไม่ทันกับเหตุปัจจัยเราจะไปลกูลกล่วงหน้าไม่ได้ยุงกัด ก, ก็ไล่ได้ในการปฏิบัติธรรมอย่าไปลกก่อนโลกเห็นก่อนเห็นถูกก่อนถูกผิดก่อนผิด เอาเหตุเอาปัจจัยเนี <S 1> <S 1> <S <S um> ่ยหลงเวลาใดเปลี่ยนลู่ได้ถ้าปวดเวลาใดก็กําหนดลูโดยการลู่กําหนดลูโดยการบรรเทากําหนดลูโดยการละสังขาวอดทนก็อดทนถังข้าวที่จะอ่าวันเทากับบรรเทาไปเดินอยู่มันปวดมันเมื่อแล้วสองชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแล้วก็ให้มันเกินเหนื่อยไปเกินเหนื่อยไป อยาให้คนเหนื่อยมาบังคับเราต้องอยู่มันปวดก็อยากให้คนปวดบังคับเราแต่มันเกินไปทั้งน่อยเวลาเราไถนาหัดควายไถนาเวลาไถนามันไถเป็นงานพอไถเสร็จควายมันก็รู้นะพอมันเถมันเหยียบล่องมันไม่มีกพรมันไถเส็จมันก็รูกผมมันเท็ดไถไม่ได้ปักแล้วพอมันเป่าก็งงหน้ามองลราก็จะจะออกจาก งานที่เราไถเราก็ให้มันออกไปพอออกแล้วไปปลดทันทีมันไม่ได้บางทัวเพราะมันลูกมันออกวิ่งออกมันเคยปลดมอนวิ่งออกบางทียกไถข้ามคนาไม่ทันมันก็ปลดันเวลามันวิ่งออกปลดทุกทีเวลามันวิ่งออกปลดทุกทีไม่ได้่าพอมันวิ่งออกเราก็ไปแรกงานมาอีกไถรอบอีกสองรอบสามรอบจนให้มันเดินปกติ ถ่ายไใหม่ปวดปดปดปดปดปดมัอยากให้ลองปดไวเอาก็ถ่ไปแต่มันยังผิดปกติเราก็ต้องไถ่ายอ่ะถ่ายไปถไปจนมันเดินปกติเราก็ปวดกลางกลางงานน่ะไม่ต้องออกไปตรงไหนปักถ่ายไปตรงนั้นแต่มันเดินปกติก็ปักเก่าอ้ายุดปวดถ่ยออกนี่เราหัดวัวหัดกัวอดดีสุดเวลาเรา ต่อไปงานหน้าพอใช้เศียมันก็ไม่ได้วิ่งพอดพูดพอดพาดก็เดินธรมธรมดาอ่ะโทษหัวเทียนเกียนก็เข้นกันบางทีเกียนกำลังติดหล่อมไปตีมันตั้งตอนเจ็บมันก็จะดันอยู่ยังไปตีมันบางทีมันดันอยู่หนักเต็มทีแล้วลคนขับก็ยังไปตีมันเดียวมันก็เจ็บมันก็ ก็เิ่งแอกแล้วดินก็บปวดแอกนี้ไปพราะมันโถกลมที่ได้มันดันที่ได้ตีมันทุกทีมันก็รู้แล้วว่าถ้าตกหนักกว่านี้คนขับตีเราแล้วก็ปวดแอกเราเลยเป็นหัวไม่สู้ชีวิตเราก็เช่นกันทังงข่าวที่มันยากน่ะอย่าไปถือว่าจะแพ้น่ะมันมีความชนะอยู่ตรงนั้นก็ได้ความย่งความยาก แต่ความทุกข์ความอุดดัดขัดเคืองความอะไรต่างๆอาจจะวิเศษที่ตรงนั้นก็ได้แเรารู้มันว่าตัวไหนมันตกหล่มลงโคลนดันเกียนอยู่แล้วก็พูดกับมันดีๆ ล, ลูหลังมันไปไปไปไอ้ น, น่นไห้แดงไปมันก็ได้ใจมันก็ไปของมันไปอย่างวัว อะไรการพิสาอวัววัวจนั่นที่พิานั่นที่นันที่พิสานไปแข่งกันพอเจ้าของไปแข่งกันเพื่อจะเอาเงินเ<พ>อวัวเทียมเกล็ดลงไปมึงขคี้ข้าไอชาตหมามึงต้องไปไอข้าไอทาดไ อ, ไอด่ามันไม่ไปเลยเจ้าของก็แพ้และมันเสียใจร้องไห้ แล้วก็เอาใหมอ่อีกเปลี่ยนใหม่พอเทียมเข่าหน้าเข้าหลังเลยก็ไอ้ไอ้เจ้าพ่อไอ้โรกพ่อไอ้โรกพ่อยังช่วยพ่อดันพาเปลี่ยนหา่าลอยไปไหนเลยชีวิตเราเขมามากันต้องเคลียร์ตัวเองนะยกนิ้วให้ตัวเองคนอื่นเขาเจงก็ไม่ต้องสนใจเราเคลียร์ตัวเราเราก็คนนึงละคิดอย่างนั้นนะ อะไรก่อนอาจะเป็นอย่างนั้นพระริเจ้าจะบอกเออพรองค์นั่นได้บรรลุธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระหันแล่าอัญญาสีอัญญาสีวัตถโฟกุทันโยอัญญาสีวัตถโฟกุทันโยอัญญาลู่แล้วอัญญาลู่แล้วเป็นพระละหันเกิดขึ้นในโลกเป็นพระเรียสงเกิดขึ้นในโลกเป็นรูปหนึ่งอัญญาสีอัญญาสีวัตถโฟกุทันโยเอาแล้ว ว่าป่าะัทยมหานามะคงจะน้อยใจเอ๊ะกลมาพร้อมกันบทพร้อมกันทำไมเขาลุ ก, ก่อนเราเขาจะเสียใจนะแต่ว่าไม่เป็นไรว่าป่าพัทยมหานามะอ้าเราก็คนเหมือนกันเขาก็คนเหมือนกันเนี้นี่โมทนาอืวันที่สองวันที่สามออกไปก็นลุกกันทั้งหมดเลยเอ่ะ เราจะพูดกับเราว่าลูกข้นี่แม่นี่ยเล่าละคนหนึ่งก็ว่านี่ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็าหนึ่งเขาคิดหนึ่งเราก็หนึ่งเหมือนกันเราทําไมเราทำไมได้สมรู้ใช่นีมนะเราได้วันคิดเราก็ลูกของเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวโลกก็เปลี่ยนได้นี่อย่างนี้นะการปริบัติธรรมจัดสรรจัดการกับตัวเองให้ถูกกาละเทสะการบนรลุดธรรมอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด บางทีเฉลิิดนิสัยของเราชอบเรียบเรียบง่ายๆทำไปบางคนเรียนหนังสือบางคนขยันไม่หลับไม่นอนบางคนเขาก็ไม่ขยันธรรมดาธรรมดาส อ, อบเรียนเจงได้ช่างสังเกตสร้างแก้จุดตอนของตัวเองกำหนดลูะไรลลู่ไปบทเรียนขโมยเอาก็มีขโมยเอาไม่ต้องซึ้งหน้าช่วยโอกาส โดนตรงไหนช่วยโอกาสไปเป็นทัพ บ, บาทช่วยโอกาสโอ้บางทีเราได้โอกาสจากคนอื่นเชินไปเป็นท บ, บาทด้วยกันอืเราชวนแวะเก็บผักเขาคุยส อ, อนลักษณะกินผักแบบไหนเขาก็พูดนะแบบออะไรต่างๆเขาเก็บผัก ก, กากาดยญ้ากขาสอนวิธีกินก็คุยหลงตัวไปเราก็ฟังเขาพูดโอ้ เพื่อนของเราหลงแล้วเพื่อนของเราหลงแล้วเราจะพยายามมันไม่หลงเหมือนเขาเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาหลงตัวแล้วนี่เราก็ช่วยโอกาสขณะที่เพื่อนหลงเราไม่หลงเราจะไปพูดแบบนี้นก็ได้เรียนจากคนอื่นบ้างนี่อืออันนี้ผมก็จะได้ไปอ่าไปจะไปนอนพิษน่อ่าวันที่สิบสองชาวบ้านจะมาทาให้ เอาไปส่งกันทำเลยอ๋อทำกติครับอ๋อแน่เลยจะไปแล้กันมาทาให้จะไปอยู่นั่นเสร็จจะไปวิญญาณบัดเพ้อมกันนหมอ่ะตัดพระพิ่มไม่จะไปดูกอน ตัวพระพุท้าทัมมนัทิสัพพิปันโนพระพุทธเจาทังดธมนั้น